สูผู้เท่าก็ได้เดินนุ่นเท่าฮะ <laughs> ที่หลายรอบเอน อ, เ อ, น, อนั่งบังคับนั่งดัดอยุ่นนี่แหละเออเอาเราซือ้อสวดมณ์เราซือ้อสวดมณ์แจกสมาสติด้วย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 คนอื่นเขาอยากได้มักได้ผลได้นิพพานะเราเพิ่งอยากได้นางฟ้าบ้าอะไรก็ไม่รู้ละอายใจใจตัวเองแน่เกิดฮีริในใจของตัวเองละอายดึงใจออกมาจากนางฟ้าได้ไมาอยู่กับตัวเนี่ยเพราะความละอายเนี่ยดึงออกมาได้ไมาอยู่กับตัวมีเก่าวกระ t h o ออกมาแล้วนะเนอะดูที่เชื่อมันได้ยัไใจมีกิเลส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 นีวอนนี่วอนเนี่ยหลตัวไร่กาเนี่ยแหละนิวอนนวอ น, ว น, น, วอนวอสิงกีดขวางนี่วอนสิงกีดขวางที่พวกเราทาทากันเนี่ยที่มันไม่ไมปนหน้ามาหลังกันนี่แหละพวกนี้มันขวางไว้ข่ามมันไม่ได้นีวอนนี่วอนห้ากามาฉันดะ พยาบาทพยาปาดะทีนมท้มิถะม่วงเหงาอ่อนนอนอกัฏจักกุฏจะภพุ่งสารคารวิจิตรชาวิจิตรช่างวิจิตรชาญาวิจิตรชานัางเลสงสัยเมื่อกี้เราก็บวชสวดเราก็สวดบวชจิต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 สายลุงตาลุงปู่มั่นงปู่สาวเนี่ยท่านให้เจอสมถะท่านเจริญสมถะเพราะในบทของสติมหาสตินี้มันจเจริญได้ทั้งบทสมถะทั้งบทวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเกำหนดอยู่กับอารมณ์นเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเริ่มต้นโดยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ พ, พอทำไปทางไปทำ ไ, ไปจิตของเราไม่ไปไหนละจิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใครน้อมมาพิจรารณา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 พวกเรายังอ่อนแอดยังเป็นต้นกล้าไม่ยอมแข็งเนี่ยเลี้ยงไม่ยอมโตก็เพราะอะไรนิวนเรล่านี้แหละมันครอบงำทงความรู้จักกับมันเพื่อจะได้ต่อกกรรมกับมันพ่จะได้รือ้อเพื่อจะได้แผ่วถางให้เราเดินไปสะดวกเดินไปเพื่อสงบให้มันได้เดินไปเพื่อเพื่อปัญญากให้มันรอบรู้รู้จักเหตุรู้จักผลเหตุเกิด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 แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกที่เรียกว่าอทุกข์ขมสุขเนี้ยท่านพูดประกอบมาอีกว่าสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตรสุขมีความพอใจสุขไม่มีความพอใจคือความบางเฉลยความสงบความบางเฉลยความสงบสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตร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 คอยต่้งออตั้งใจพอะจะทําให้เรามีสติมีปัญญาเพราะการที่เรามาอบรมจิตในเรืความสง บ, บนั้นไม่ทําให้จิตของเราเือไปตามํหน้าของกิเลสถ้าเราไม่มไม่สนใจเรื่องแบบนี้แล้วจิตของเรามันคือไปตามอํานาาของกิลเลสเลินไปกับโลกในี้โลกบางคนเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่รู้เรื่องสิ่เรื่องธรรมเรื่อไหน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 เราหมดจะมองมึงอดีน <c oughs> ไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสำคัญไม่ได้หยิบเข้าปปากเราก็น่าเสียดายพวกเราทุกคนไม่ทำตนให้พลาดโอกาสที่น่าเสียดายนี้ไปได้ขออนุโม <c oughs> ทนากับทุกท่านที่ทำอกต้้งใจมาฝึกฝนอบรมนะวันนี้พอุกควเวลากลับไปภานาต่อใครจะเป็นเนต่อกันเนยสว่างกันแล้วกันและเรามาครั้งเดียวครั้งนี้ ใครเคยมแล้วออกไม่นับใครเคยจะมาอีกขาไม่นับเรามาครั้งเดียวครั้งนี้คืนนี้ในสัปชิพเลยก็ได้ในสัปชิยาวนะนะเอายุติแค่นี้ไปพักได้พวกนี้ถ้าใครต้องการจะทำมัดเช้ากับพระก็ไปทำท่านรวมกันทำที่สี่ที่สีเส่เศษเศษ บุญลา <c oughs> บุสลาถ้าใครจะเสียสลากไปอาบุญอีกรอบหนึงตอนเช้าฟัาก็จะทํานช้าทุกวันทุกวั น, วนบนฉลาโน่ฉลาเนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปจุดสว่างเดี๋ยวนี้มันสว่าช้านะแล้วมีเวลาภาวนาที่ครัวก็ จะไปก็ไปเป็นไปู่สวนด้วยกันได้สวนมุมเสร็จ <c oughs> อยากมาช่วยทําครัวทาอะไรก็มาได้เดีย๋ยวนั่งภาวนาอยู่ทางนน้นก็ได้ก็แล้วแล้วแต่โปรแกรมจะจับกันหปกัดกันไนี่มีใครเคยมาไหมตังแล้วเนี่ยวอเลน่าเนี่ย <c oughs> ยังไม่เคยมีใครมาสักคนเลย